ขอนิสัยตามพระวินัยตามพระวินัยเมื่อเราบวดจะไม่ถึงหพรรษาเมื่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์วัดไหนที่ว่าถือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้ต้องขออนิสัยถ้าไม่ขออนิสัยประอบฏิบัติทุกกฎถ้าว่าเข้ามาดูแล้วอนิสัยไม่ตรงกันคิดว่าไม่สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราได้ก็รีบหนีไม่อยู่ แต่ถ้าเขินดูไปโดยที่ไม่ขอนิสัยปรับบัติทุ้กดขอนิสัยก็เป็นอลกับกริยาอาการที่เพิ่งพิงเองอาศัยเราเป็นผู้น้อยก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยการแนะนำสั่งสอนใครมอบตัวเป็นสิกเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนได้ตามการตัวตามความเหมาะสมก็เป็นการเพิ่งพิงต่างการเป็นอยู่ด้วย ตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งอาหารการบริโภคปัจจัยสี่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ในเมื่อครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันต้องอาศัยสิทธิ์ในเรื่องหนึ่งเหมือนกันต้องอาศัยสิทธิ์ดูแลช่วยเหลือกิจที่จะต้องทําในส่วนตัวและสวนภายในวัดจะต้องบอกให้สิทธ์ช่วยกันทรุปแล้วก็คือสิทธิ์การอาจารย์ เป็นการเพิ่มพิ้งอาศัยกันเหมือนพ่อลูกกันอย่างนั้นละ่ะในพระวินัยนะถ้าเราศึกษาในจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์เหมือนกับพ่อลกูกต้องอยู่ด้วยกันพ่ออาศัยลูกยังไงลูกอาศัยพ่อยังไงลักษณะอย่างนั้นเพื่อให้มีน้าใจต่อกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีการสงเคราะห์นุเคราะห์ซึ่งกันละกันคนลแแห่คนละมุม พ่อสงขอลูกยังไงลูกช่วยเหลือพ่อแม่ในครอบครัวอย่างไรนี่ยหละจนกว่าจะถึงห้าพรรษาต่อไปเราก็เป็นอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปตามขั้นตอนอันนี้คือพระวินยัยมันต้องมีน้อยสักกว่ามนึ่งอใหญ่ถ้าว่าเราบวดเข้ามาแล้พระโลพระาใหญ่เสียเลยก็ไม่รู้จะสอนอยังไงต่างคนต่างใหญ่ก็เลยกดและเบียบ รรมวินายก็บอกไปโดยปริยายเพราะว่าไม่ได้การศึกษาไม่ได้เรียนตามพ่อคอตามครูมาเนะเพราะนั้นพระวินายจุดนี้ก็จำเป็นและสำคัญในการขอนิสัยของพระที่ปวดใหม่นะและก็พร้อมกันวัดของเราที่พระใหม่หนูพบเพื่อนที่เป็นพระเก่าก็ช่วยดูนะวิทยุเอ3มสวงไหนที่เข้ามาใหม่ที่จะให้ศึกษา เทปซีดีของครูบาอาจารย์เทปซีดีของผมมันน่นะก็จัดให้ก็ไปฟังนะแต่ถึงยังไงก็ตามพระใหม่เมื่อเอาไปฟังนะจะไปฟังเพลงไม่ได้นะผมไม่ได้ตัดพิกียุออกเราไม่ให้ฟังเพลงในวัดนี้เราฟังมาจนโพลแอแล้วอย่าไปฟังเพลงนะถ้าองค์ไหนก็ตามถ้าผมรู้ว่าเปิดเพลงขึ้นมาภายในวัดเสียงทางไปในวัดนะ่ย ผมจะไม่วินิจฉัยว่า อ, องค์นี้ผิด อ, องค์นี้ถูกเจตนาหรือไม่เจตนาเน่ผมจะต้องให้หนีจากวัดในเดียวนั้นอันนี้ให้หมู่ผู้พ้นฟ้าไว้พราพระเสียงดนตรดนดีเสียงเพลงไม่ใช่เรื่องของพระขนาดสินแตกจะยังผิดศินอยู่แล้วสินทองออยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันประมวหมองขนาดไหนถ้าพระได้ลงฟังเพลงแล้วคนนั้นห้ามฟังเด็ดขาดให้ฟังธรรมะ ที่เให้ฟังนั่คืออยากให้ฟัง CDM p ีสของพระแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาที่เอามาให้ฟังอย่างละใ้ฟังเทศวงหลวงตาเราฟังได้ในวัดของเราลวงตาเทศทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้อยากจะให้หมูก่กล้วนได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่ามีแนวทางเวลาตองคืนหลวงตาจะเทศธรรมะภาคปฏิบัตินี้ดีมากแ่าว่าพอเปิดฟังถ้ารู้จักวิธีการฟัง ม่ใช่แต่โลวงอ ง, งตาองค์เดียวมีครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ที่เขาออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ออกจากปัตตาบางตาเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักใช้เราจะรู้จักฟังจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเราได้เอ็มพีสามมาแล้วได้วิทยุมาแล้วเหมือนกับติดความโน้าไปอีกติดความโน้ตไงก็ไปฟังเพลงไงไปฟังเพลงไปฟังดนตรีไปฟังลนะคร่ง ไปฟังเรื่องที่ซึ่งไม่เป็นเรื่องใช้ไม่ได้นะอย่าให้เราจะให้ผมได้รู้ได้เห็นนะถ้าหาว่าองค์ใดก็ตามถ้ามันโผล่มาแล้วแท็กบอกมาแล้ววางไม่ฝังเพลงนะหลวงพ่อนะ่นิสัยไม่ดีนะเนี่ยผมจะวินิไม่มเลี้ยงไว้ไม่อยู่ในวัดนะให้ออกจากน อ, อ, อกวัดทันทีเพราะจิตใจนั้นออกแล้วจะอยู่ในวัดทำไ ม, มนะผมจะให้ออกจากวัดทันทีออกจากหวงกรรมฐาน างกรรมฐานไม่ต้องเป็นผู้รอบคอบพิจารณาถึงความความเกิดความเสื่อมของการเป็นอยู่อยู่เสมออั น, นั้นแหะคือกรรมฐานพระกรรมฐานต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราจะฟังเสียงล้องล้ำทำเองล่องล้ำทำเพองเราเคยฟังมาจนกว่าเราจได้อะไรเมื่อเข้ามาบวชเราก็ต้องฝึกหัดกทำจิตตภาวนาศึกษาธรรมะปฏิบัติมันจึงจะโถ คนนั้นให้หมู่พวกคพืนทุกองนะอันนี้คือการย้ําเตือนของผมเดี๋ยวนี้เครื่อง MP3 ที่ได้มาก็หลายเครื่องนะขอให้หมู่พวกเ้าเก่าให้ช่วยช่วยสงเคราะห์หมู่พวกเพนที่มาใหม่ไม่ต้องหวงเอาไว้หรอกสนใจนคือยากถึงไหนที่จะเกิดประโยชน์สำหรับหมู่พวกคพืนก็นเอาแบนเฉลี่ยกันไปให้ไปฟังเพื่อการศึกษาสรุปแล้วก็คือพวกเราได้ศึกษาแล้วก็เป็นหมู่เป็นเพื่อน เป็นพักเป็นควบเป็นทําบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยการทั้งนั้นแหะถ้าศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้ว เ, เพราะนั้นพวกเราเข้ามาเนะี่ยมาเพื่อการศึกษาแต่ไม่ได้มาเพื่อยาอืนอ่นการศึกษาก็อาศัยการได้ยินได้ฟังนี่แล้วกัการเห็นตาเห็นหูได้ยินใจพิจรารณาสมมติว่สิ่งควรไม่ควรอย่างไร นี่มาศึกษาต้องเป็นอย่างนั้นถุกแร้ก็คือให้เป็นผู้รอบคอบไปเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเพิ่งไปชมอย่าเพิ่งไปทํานิเขาต้องดูเหตุและผลซะก่อนถ้าว่าเราไปเห็นเขาแล้วยังไม่ได้ถามอะไรตำหนิเขาก่อนเพราะันนั้นก็บอกความโง่มูหความโง่มโหสุดอยู่ในจิตใจของเราไปเห็นเขาแยังไม่เท่าไหร่ชมเขาแล้ว อันนี้มันก็เป็นความน่อีกประเภทหนึ่งศรัทธาอีกประเภทหนึ่งไม่ได้สักสไซเรียงเหตุและผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นได้ยินสิ่งใดก็ตามเราต้องศึกษาไปตองเหตุและผลในสิ่งนั้นให้ครอบครอบให้รอบครอบจะบอกจึงค่อยเชื่อจึงค่อยปักใจเชื่ออันนี้สุดท้ายก็คือให้ใช้ปัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีผลของเขาในตัวของเขาแต่ว่าเหตุผลนั้นจะไปในทางไหนกันเองไปในทางตา่ำหรือไปในทางสูงไปในทางดีหรือไปในทางชั่วไปทางบนหรือไปทางลับมันมีเหตุผลของเขาโดยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเราต้อศึกษาต้องถามในเรื่องวั น, นั้นวันนี้ก็เป็นวนอุโบสถเดือนห้าเพนอาจจะฟางแต่ไม่จริงก็เป็นเดินหกเพ็นัหลักปีวันนี้ แต่ว่าปีนี้เป็นแปดช่องฝนก็เลยย่นลงมาเป็นเดือนห้าเพนเป็นเดือนห้าเพนวันนี้ตามไม่ทิานอาจจะว่าไปอะไรก็คือเดือนหกเพนเก่าแต่ว่าปีนี้เป็นแปดช่องนก็เลยย่นเป็นเดือนห้าะเป็นวันพระเป็นวันุโบสถของพวกเราขวดปฏิโมกต์จบลงจากครูนี้อันนี้ก็คือศินของพระ สินของพระที่พวกเราไปทบทวนทุกวันอุโบสถเพื่อให้พวกเราท่าทั้งหลายได้ทบทวนแต่ตามนี้เงพวกเราฟังพระปฏิโมกข์คงจะไม่เข้าใจเพราะว่าส่วนเป็นภาษาบาลีแต่เป็นยังไงก็ตามอันนี้คือสวดเรื่องของสินนี่เป็นคำพูดเรื่องของสินเพราะนั้นพวกเราในเมื่อไม่เข้าใจพวกเราควรจะศึกษา บาที่สวดลงสักครู่นี้เราจะได้ศึกษาที่ไหนศึกษาในพระปฏิโมกพระปฏิโมกมีด้านหนึ่งอัดด้านหนึ่งแปลมีอยู่ทุกวันนี้มีหนังสือพระปฏิโมกแปลมีจากนั้นทานเราจะให้เข้าใจก็คือไปอ่านนวโกวันั่นคือพระวินัยปัญญาก็อยู่ในสินส2งีันห้ามื่ตัน เราอยจะมาอ่านให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็ดูวินัยมุกเล่มหนึ่งอันนั้นอธิบายขยายความที่วินัยพุทธิยมย่อพูดเป็นชั้นๆแต่ว่าเราอยากจะรู้ต้นตออีกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยตรง น, นี้เพราะอะไรให้เราไปศึกษาพระไตาารปิฎกเล่มห้าเล่มเล่มใหญ่ประไตรปิฎกเล่มใหญ่อันนั้นจะพูดในลายละเอียดมาก ถ้าพวกเราอยากจะรู้สิขาบทที่ไหนเป็นมาอย่างไรใครเป็นผูก้กระทำผิดแล้วทวิอนุทวิมีกี่สิขาบกเราจะได้ศึกษาหนึ่งสองสาสี่ห้าจนถึงสองยี่เดข้อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนอย่างไรกับพระสงฆ์กลุ่มไหนพวกเราจะรู้ในรายละ เ, เอียดแต่พวกเราอ่านในพระวินัย ที่สิกขาบทจ ย, ย่อเนี่ยพวกเราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไม่สนิทใจหรืออาจจะทําไมพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรแต่ถ้าว่าพวกเราไปศึกษาต้นต่อแล้วโอ้เรื่องรา่มันเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้ากิงได้บัญญัติในยุคสมัยนั้นแต่มาถึงยุคสมัยหนึ่งที่บัญญัติไปแล้วไม่จําเป็นเพราะแต่ละยุคแต่สมัย การใช้วัตถุนั้นแตกต่ตางกันเพราะนั้นทำไมจําเป็นเราจะถอนก็ไม่ใช่ยกต่อไปภายภาคน้าอาจจะจําเป็นก็ได้เพราะนั้นพระวินัยจึงคงไว้ไม่มีใครไม่ ไ, ม, ไ ม, ม่ให้ถอนออในพระวินัยว่าอย่าถอนสิ่งที่พระพุทองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วเนี่แคือไม่ให้ถอนก็ให้สมาทานตาม ปฏิบัติตามศึกษาเอาไว้แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่านะผมคิดว่านะ่ะอั น, นเป็นความคิดของผมผมคิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถาว่ายังสรงกระชนอยู่ถึงยุคสมัยนี้นะพระพุทธเจ้างคงจะบัญญัติวินัยหรือสินของพรนะควงจะถอดถอนเรื่องราวต่างๆที่ในวิ น, น่ยอบยุคนั้นสมัยนั้น จำเป็นและสำคัญมาถึงทุคนี้สมัยนี้มันอีกยุคหนึ่งคงจะบัญญัติพิในในยุคนี้สมัยนี้สําหรับให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามมีมากในพระพิในที่จะต้องบัญญัติสิกขาบทในยุคนี้สมัยนี้ผมว่าตรง น, นีแน่เพราะว่าบัญญัติตามยุคสมัยแต่ที่อย่างไรเราก็ต้องคิดดูว่าพระพิในที่พระพุทเจ้าบัญญัติไว้สมัยนั้น กับยุคสมัยนี้มันขัดกันไหมถ้าว่ามันขัดกันขัดแย้งกันเราก็ทําปฏิบัติตามตรองยึดหลักประธรรมในไหนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก่อนนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่ามันไปกันได้เขาไม่ขัดกันก็ยึะตามนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทุกพระสงฆ์สาวกผูสส้หลังเนีดูจัดในจัดไว้ในมหาประเทศสี่คืออนุโลมตามยุคสมัย อันนี้พวกเราเมื่อผ่านศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วให้พวกเราให้วิเคราะห์ อ, อย่างนั้นแต่ในนั้นท้านก็วิเคราะห์อยู่แล้วในเชิงวิเคราะห์มีมากในหลักขบถใดของพระสงฆ์สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ให้ท่านตัางใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีนะอย่าง พี่น้องประชาชนญาติโยมเขาที่ทําบุญทำทานอย่าให้เขาเแ้าใจมานั่นแหะอย่าให้เขาตำหนีเขาได้ให้เราอยู่ในกรอบของหลักธรรมใไนไนไม่ช่บวดเข้ามาแล้วทําตนเหมือนกับคารวะอ้าพอเขาไปเห็นตะกราบไม่ลงลกไม่ไหวไม่ลงพอเห็นพระประพฤติตนไม่ดีผมก็ได้ยินหนาหูมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉนั้พนพวกเราท่านทั้งหลาย ที่เป็นพระป่าพระดวงอย่างที่ผมพูดกันนะเรื่องที่ไม่ดีไม่เนาะไม่สมไม่ควรอยา่อยาให้มีอย่าให้เกิดขึ้นภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐ า, านของพวกเราทั้ ง, งหลายให้เข้มขมวัญปวดขันอย่างพระบางวัดเนี่ยญาตรวมผมก็ไดยินเมื่อร็วๆเนะี่ยถือถังสังฆทานไปเพื่อจะถวายพระพอเข้าไปเห็นพระล้อมวงตะก้อกันมั้น่เอยอย่างนั้นก็มี ก็ เ, เห็นอย่นะ้นเ่ยไม่รู้จะถวายยังไงถือถังสังฆทานกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นผมว่านะไม่ควรจะมีในวงการกพุทธศาสนาอุประชาอาจารย์ครูบาอาจารย์น่าจะใส่ใจถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็น้าจะว่ากล่าวตเตือนแนะนำสิทธิ์ของตนเองวัดในวัดของตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ควรจะว่ากล่าวแนะนําสั่งสอน พระลูกศิลป์ลูกหาและทำอย่างนั้นอย่างนี้นะ้อลูกหลานเะน้ออันนี้เราเป็นพระและนะเราอาศัยชาวบ้านเขาบินธบาดฉันถทาลูกหลานทําตัวอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเราก็ทําบุญยากเหมือนกันนะถ้าวราพระปกติออกนอกฤทธิ์นอกรอยพระมาอยู่ในศีลในธรรมเขาอยากเขาทําบุญเข า, เข า, าก็จะได้บุญเพราะว่าเครื่องพยาธรรมของเขาในขอนที่เขาจะได้มาน เขาทำงานแล้วทำงานอีกจบแล้วจบอีกเพื่ออยากจะทำบุญกับพระสงฆ์ผู้มีศีลผู้ปฏิบัติปีปฏิบัติชอบแต่พวกลูกหลานพาระเนนทำตัวไม่ดีอย่างนี้ยก็ทําให้เขาเล่าใจเขาหมดศรัทธาถ้าเป็นพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันถ้าต่อไปภายภาคหน้าล่ะทําลูกหลานไปทําการทํางานถ้าเห็นพระเนนอย่างพวกเราประพฤติอยู่อย่างนี้ย พวกเราจะกล้าทําบุญไหม่แตพวกเราจะทําบุญทําทานไหมถ้าไม่กล้าทาทานกร็แสดงว่าตัวของเราเนี่ยแะทำลายพระพุทธาศาสนาทําลายความเชื่อถือทําลายว่าเราไม่เชื่อในพระพุทธรัตพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เชื่อในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราไม่เชื่อเราจะอยู่ไปทําไมเรากระลาศิขาไปซะไปเป็นฆราวาสซะ ไม่ควรจะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียหายผมว่าเนะีน่าจะเตือนเป่าอย่างนั้นถ้ามาอยู่ก็ต้องอยู่ดยในขอบของศีลธรรมถ้าอยู่ไม่ได้คารวาสก็กรเปิดไว้อย่แล้วเขาไม่ได้กีดกันอะไรทําไมจะมาเหยียบย่ำทำลายพกะพุทธศาสนาให้เสียหายวันนั้นเชียงโานี้นะ่ะอีกผมพูดให้ฟังผมว่าพวกที่พวกเราทั้งหลายคิดนะ่ะถ้าอาภรณดีไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว ตายคนเดียวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวถ้าหามู่ไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าแตถ้าหาว่าถ้ามีมู่ได้ก็ดีถ้าหมู่มีสิทธ์ไม่ทำถ้าหาหมูงไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อย่าทําความชั่วแตอยู่คนเดียวโดยแต่ทำความชั่วด้วยนั้นแย่อยู่คนเดียวแต่ไม่ให้ทําความชั่วอยู่คนเดียวพยายามสั่งสมคุณงามความดีอยู่ไว้ใน ers, Ins, ใจตลอดอัน <Yeah. S 2> ั้นถัเมิดปเสริ เพราะนั้นพวกเราทุกๆทก่านนะเป็นพระในทระพุทศาสนาแล้วผมอยากจะให้เชื่อมอดขวดขันกับตนเองสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําทําไปแล้วถามว่าผิดไหมอยากโดงพ่อแม่ของเรามาเห็นโดนตัวของเราเห็นถ้ากระทาอย่างที่พวกเราทํำเรานม่ถึงดลสายไหมให้ถามตัวเองถ้าไม่ทําอย่างนี้ทําไม่นับถือเราจะกายเป็นหลวงพพระอย่างทําอย่างเราอย่างนี้แต่ว่าเราใช้ไม่ได้ละ ขออนุญาให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันสวดพระปฏิโมกผมก็เลยพูดเรื่องศีรษจารวัดการเป็นอยู่ของพระของเม ง, ง, งของพระสงฆ์ของพวกเราให้เข้มงวดกดขันผู้ใหญ่ผู้น้อยให้บ้ากล่าวเตือนจึงกันละกั น, นะสิ่งไหนที่มันไม่ไดีอย่าทำเพราะทุกวันนี้หนาหูเพื่อนในเลยในสิ่เหล่านี้ผมเองผมเป็นพระ มีอายุพังษาขึน้นไปเลยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นหนาหูหลีเลยอย่างทุกวันนี้นะตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิมโม